พวกเราเป็นชาวพุทธศาสนกชนสิ่งที่พวกเราควรจะมีก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาคือมีความเชื่อในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เพราะนี่คือจุดเริ่มต้น ของการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเริ่มต้นที่ศรัทธา ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอริยสงสารศรัทธาความเชื่อก็คือเชื่อในการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัสรู้พระธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่นำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจาก กองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครสามารถสอนหรือบอกทางนี้ให้แก่พระพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนพระพุทธเจ้าพยายามส่อแสแวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดยอมสละลาชสมบัติที่เป็นสิ่งที่ปรารถนาและรักสงวนของปวงมนุษย์ทั้งหลายไปอย่างไม่มีความอลายอาวรเพราะความ ปรารถนาที่จะไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะทรงเห็นว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าจะเกิดมาสูงหรือต่ำเกิดมารวยหรือจนก็ตกอยู่ในสภาพอันเดียวกัน เมื่อตกอยู่ในสภาพทีท่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องทุกข์เหมือนกันองค์จึงไม่มีความเสียดายในพระราชสมบัติในความสุขของพระราชโอรสทรงยอมละความสุขเหล่านี้เพื่อออกแสวงหาทางสู่การ สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแต่พยายามศึกษากับครูบาอาจารย์หลายท่านก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถที่จะบอกทางนี้ให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์อันนี้ได้สอนได้ก็เพียงระดับแค่ชั่วคราว คือสอนให้จิตเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบเวลาที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบการกระทต่างๆก็หยุดติรลงชั่วคราวความคิดปรุงแต่งหยุดทางานตัณหากิเลส ท, ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็หยุดทำงานไปด้วยเพราะกิเลสตัณหา ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจผู้ที่เข้าสมาธิได้ผู้ที่ทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งได้เป็นอัปปนาได้เป็นอุเบกขาได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ชั่วข้าวชั่วขณะที่อยู่ในสมาธินั้น แต่พอถอนออกจากสมาธิมาพราะร่างกายต้องการให้ใจออกมาดูแลรักษาพอออกมาก็ต้องออกมาคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆคิดแล้วก็เกิดปัญหาความอยากต่างๆตามมาเกิดความทุกข์ใหม่ตามมา เวลาออกจากสมาธินี้ไม่มีใครรู้วิธีหยุดความทุกข์ดับความทุกข์ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยต้องขวนขวายค้นคว้าหาทางของพระองค์ด้วยพระองค์เองในครั้งหนึ่งก็ทรงคิดว่า ความทุกข์ความทุกข์นี้อยู่ที่ร่างกายเกิดจากร่างกายเกิดจากความ อ, าอยากอยากให้อยากจะรับประทานอาหาราก็เลยส่งอดประกายอาหารอดไปนานสักถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกัน ความทุกข์ในใจก็ไม่ได้ดับไปความอยากที่อยู่ในใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะไปส่งไปไปหยุดผิดที่ไปหยุดที่ร่างกายประหยุดที่การรับประทานอาหารที่ว่าการรับประทานอาหารเป็นการาสร้างความทุกข์ใจ แต่ความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดอยู่ที่การรับประทานอาหารและการดับของความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่การหยุดการรับประทานอาหารลองเลยต้องย้อนกลับมาพิจารณาดูบ่ายก็ทรงเห็นว่าความทุกข์มันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในร่างกายจึงต้องกลับมา มาบำเพ็ญจิตตภาวนาตอนที่อดพกยกาหารคงไม่ได้ภาวนาคงอดเฉยๆใช้ขันติความอดทนอดต่อสู้กับความหิวคิดว่าถ้าต่อสู้แล้วจะชนะความหิวชนะความทุกข์ได้แต่ความหิวความทุกข์ก็ยัง มีอยู่เหมือนเดิมยังทรงย้อนมาสวยพระกายอาหารเพื่อจะได้มีพระกำลังวังชาที่จะแก้ปัญหานี้ที่ใจแทนที่จะแก้ที่ร่างกายตอนนี้ต้องมาแก้ที่ใจมาแก้ที่ความอยากที่ที่อยู่ในใจ ไม่ว่าจะอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรอยากดูจากฟังอะไรจะไม่ทำทั้งนั้นทรงจะประทับอยู่ภายใต้ต้นโพแล้วก็บำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถะภาวนาทำใจให้สงบพอใจถอนออกจากความสงบกห็หาวิธี หลับความอยากด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาพิจนารณาดูสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่แล้วเวลาที่ได้มาแล้วจะสุขได้นานสักเท่าไหร่ ก็ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานั้นเป็นความสุขเพียงชั่วคราวแล้วก็ต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นต้องหามาเพิ่มแต่จะไม่สามารถหามาได้ตลอดเพราะร่างกายก็ไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป และสิ่งต่างๆที่หามาได้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการจ่า ก, กันไปไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาบังคับเขาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้ร่างกายอยู่กับใจไปได้ตลอดใจนี้ไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้ เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทำให้ใจทุกข์เพราะใจอยากให้เที่ยงอยากให้เป็นของใจเมื่อทรงรจรารณาอย่างนี้ก็เลยส่งเห็นว่าต้องหยุดความอยากต้องปล่อยวาง ปล่อยวางให้ร่างกายเป็นไปาตามธรรมชาติของเขาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยไปคืออย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตายเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วใจจะทุกข์นี่คือการพิจารณาของพระพุทธเจ้าด้วยปัญญา ทรงค้นพบพระอริยาาสัจสี่โดยทรงเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากและการที่จะดับความทุกข์ใจได้ก็ต้องมีปัญญาที่ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราระอยากให้เขาเที่ยงไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอด จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเวลาที่เขาจากเราเราก็จะเสียอกเสียใจ ร, ร้องห่มร้องไห้นี่คือการเจริญวิปัสสนาภาวนาของพระพุทธเจ้าจนในที่สุดก็ทรงดับความทุกข์ภายในใจได้หมดเพราะทรง เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากความอยากเกิดจากความหลงความไม่เห็นในสัจธรรมความจริงของสปปรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตานี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าโดยสังเขตแสดงให้เห็นถึงการทำงานของ อริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่ไม่มีใครมองเห็นเพราะเราไม่มองเข้าไปในใจกันเรามองไปข้างนอกกันเรามองไปหาความสุขข้างนอกเราไปหาเรามองไปหาสิ่งที่ดับความทุกข์ข้างนอกกันเราจึงไม่เคยดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเพราะ ต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้อยู่ภายนอกใจต้นเหตุของความทุกข์อยู่ภายในใจถ้าเราไม่ดึงใจกลับเข้ามาข้างในเราจะไม่เห็นอริยสัจสี่เราก็จะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของเราอย่างถูกวิธีเราก็จะไปดับความทุกข์ใจที่ข้างนอกเวลาเราไม่สบายใจกับเรื่องอะไรเราก็จะไปแก้ที่เรื่องนั้น เช่นเราไม่สบายใจกับบ้านของเราบ้านของเรามันชารุดทรุดโทรมเราก็ไปซ่อมมันไปแต่งมันไปทําอะไรกับมันแต่มันก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นใหม่เดี๋ยวมันก็เสียอีกไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราไปแก้ถ้าเราไปแกงอ้งนอกมันก็แก้ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาใหม่ ถ้าเราต้องการจะแก้เราต้องแก้ที่ข้างในเราแก้ที่ความอยากของเราอยากที่จะให้ของนั้นดีไปตลอดด้วยการมองความจริงว่าไม่มีอะไรจะดีไปตลอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นอนิจจงทุกสิ่งทุกอย่างเราไปสั่งห้ามมันไม่ได้ สั่งให้มันดีไปตลอดไม่ได้เช่นซ่อมบ้านเสร็จแล้วก็สั่งว่าต่อไปนี้ห้ามมีปัญหาเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาท่อน้ำรั่วบ้างไฟช็อตบ้างจิต ป, ปาถะร้อยแปดเพราะองค์ประกอบของบ้านมันก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นนี่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะได้หยุดความอยากให บ้านมันไม่มีปัญหามันมีปัญหาก็อยู่กับมันไปแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้อยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนบ้านใหม่เหรือไปอยู่ที่ไม่มีบ้านก็ได้จะได้ไม่ต้องแก้อย่างพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามป่าแก้ง่ายง่ายอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็ย้ายไปตรงนั้น ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องการตัดจัดบ้านแต่งบ้านการซ่อมบ้านอะไรจีปาทะร้อยแปดบ้านก็มีไว้เพื่อหลบแดดหลบฝนเท่านั้นไม่จําเป็นที่จะต้องรูหราม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสวรรค์วิมานอะไรมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเราหลงกับมันเองต่างหากที่ว่าทําให้มันวิเศษเลิศ เลิรู้แล้วมันจะเป็นสวรรค์วิมานขึ้นมามันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่มันเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นได้ชั่วคราวเดี๋ยวๆเวลาเสร็จใหม่ๆก็ดูดีไปหมดแต่พออยู่ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็มีอาการเสื่อมลงไปนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆ ที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยที่เรามาทุกข์กับเขาเพราะอะไรที่เป็นของเราเรามักอยากจะให้เขาอยู่กับเราดีกับเราปเป็นตลอดเราไม่ต้องการให้เขาเสื่อมไม่ต้องการให้เขาเสียไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนไปเราก็ต้องทุกข์กับเขาไปเรื่อยๆพอเขาเปลี่ยนไปเราก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนเขาไปแก้เขา เปลี่ยนเขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้ก็ทันทีก็แยกทางกันไปก็ไปหาคนใหม่หาสิ่งใหม่ก็ไปเจอปัญหาแบบเดิมอีกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเหมือนกันหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดมแล้วแต่งงานแล้วหย่า ก, กันกี่ครั้งก็เหมือนกันดูดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดนี่เขาแต่งงานกันหย่า ก, กัน ชีวิตหนึ่งห้าคนเจ็ดแปดคนเพราะเขาคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ด้วยการเปลี่ยนคนเปลี่ยนคู่เปลี่ยนไงก็มันก็เหมือนคนเดิมมาแหละอันนี้จังทุกครั้งนะตาเหมือนกันมีกิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันต่างกันที่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นเองถ้าจะ ถ้าจะดับความทุกข์ที่แท้จริงต้องเปลี่ยนที่ใจอย่าไปอยากอย่าไปอยากมีคู่ก็จบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนคู่ให้เหนื่อยให้ยากไม่ต้องมาคอยปรับมาเปลี่ยนไม่ต้องมาบอกเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดต้องแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากอยากไปอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากได้อะไรมันก็จบแล้ว พอได้อะไรมามันก็เดี๋ยวก็หมดไปเป็นอะไรเดี๋ยวมันก็หมดไปมีอะไรเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปทั้งนั้นดูอะไรเดี๋ยวก็หมดไปฟังอะไรเดี๋ยวมันก็หมดไปกินอะไรเดิมอะไรเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วก็ต้องไปกินอยู่เรื่อยๆเดิมอยู่เรื่อยๆกินเท่าไรเดิมเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอสักทีกินังกระทั่งร่างกายอ้วนเป็นตุ่มก็ยังหยุดไม่ได้ ร่างกายมันไม่อยากกินแต่ใจมันอยากปัญหามันอยู่ที่ใจนี่จะหยุดได้ก็ต้องมีพลังใจพลังจิตจะหยุดจิตได้นี่จะต้องมีสติมีสมาธิเพราะสติสมาธิจะเป็นตัวที่หยุดความคิดปรุงแต่งเราเป็นตัวที่จะให้ความอิ่มหนำสําลามใจให้แก่ใจทําให้ไม่เดือดร้อนเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยาก การปฏิบัติจึงต้องเริ่มต้นที่การสร้างสติขึ้นมาให้ได้เพราะสติเป็นเครื่องมือที่จะนําที่จะทําใจให้หยุดทําใจให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นใ ห, ให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขให้มีความอิ่มความพอพอมีความอิ่มความพอแล้วเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญา สนใจได้ว่าอย่าไปทําให้เสียเวลาเลยอย่าไปทําตามความอยากเพราะความอยากจะไม่หมดไปตามการกระทําตามความอยากแต่จะกลับเป็นการต่ออายุหรือเพิ่มอายุของความอยากให้ยาวออกไปคนสมัยนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ําหนักเกินแทนที่จะหยุดกิน ก็กินมันแต่แล้วก็ไปออกกำลังกายเป็นเต้นร้งเต้นการเต้นแร้งเต้นกาเหนื่อยมันก็อยากจะกินอีกมันก็กินอีกกินเท่าไหร่เต้นเท่าไหร่ออกกำลังเท่าไหร่มันก็กลับไปกินอยู่ดีเพราะมันอยากกินมันชอบกินต้องเห็น่วยของความอยากกินของความชอบกินว่ามันเป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาอี่คือ ความโง่ ข, ของคนฉลาดแสนฉลาดทะไรทําได้หมดมนุษย์เราสร้างจรวดไปถึงไหนถึงกันไปได้สร้างรถยนต์สร้างอารติกลามบ้านช่องอาคารถนนหนทางผลิตสินค้าต่างๆร้อยแปดพันประการออกมาทําได้หมดแต่ดับความอยากไม่ได้ตัวเดียวสู้มันไม่ได้ไม่ยอมหยุดไม่ยอมสู้มัน ยอมรับใช้มันพร้อมที่จะรับใช้มันทุกครั้งที่มันสั่งให้ทำอะไรนี้ทำทันทีอยากจะกินอะไรหามาให้ทันทีอยากจะดื่มอะไรหามาให้ทันทีอยากจะดูอยากจะฟังอะไรหามาให้ทันทีแล้วเป็นยังไงกับการรับใช้มันทาให้มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงหรือเปล่าหรือทำให้มีความทุกข์มากขึ้นความสุขน้อยลง พอยิ่งทําตามความอยากความอยากก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วก็จะทําให้ต้องเป็นท่าของมันเวลาทําตามความอยากไม่ได้ก็หมดจิตลำคาญใจแล้วก็ระบายออกไปทําให้คนอื่นเขาลาคาญทาคนทาให้คนอื่นเขาเบื่อที้หน้าเนาใครชอบอยู่กับคนอยากมาั้ง กายชอบอยู่ใกล้คนโลภโมโทสันมากมนั่นแหละเป็นการสร้างปัญหาให้กับตนเองเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่รู้ต้นเหตุของปัญหาว่าอยู่ที่ความอยากของตนจึงต้องมาศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ รู้ต้นเหตุของปัญหาแล้วรู้วิธีแก้ปัญหานี่แหละคือการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ต้นเหตุของความทุกข์และรู้วิธีดับทุกข์ที่มีอยู่ในอริยรรสัจสี่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมากแต่ต้องรู้ต้องเห็นภายในใจถึงจะแก้ปัญหาได้ตอนนี้เรารู้ ยึดรู้อยู่ที่ข้างนอกเราไม่ได้อยู่ในใจเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาเราเข้าไปดับความทุกข์ไม่ได้เราไม่มีกำลังเข้าไปหยุดปัหาความอยากเพราะเราไม่ได้อยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอกความรู้ของเราตอนนี้เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากับใจเราได้ เราต้องเข้าไปพบกับความรู้ความจริงที่มีอยู่ในใจเราต้องเข้าไปเจอความทุกข์ที่อยู่ข้างในใจเราแล้วต้องเข้าไปเห็นความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจของเราแล้วก็เห็นสติปัญญาที่เราจะผลิตขึ้นมาภายในใจของเราเราถึงจะสามารถหยุดความทุกข์ได้เราถึงต้องเข้าไปในใจ วิธีเข้าไปในใจก็คือทาใจให้รวมเป็นสมาธินี่ที่เราฝึกสมาธิกันนี้ก็เพื่อดึงใจให้เข้าข้างในอันนี้ใจเราชอบออกข้างนอกชอบออกไปหารูปเสียงกลภภิ่นรสผดทธพะชอบไปดูชอบไปฟังชอบไปริมรดดมกลิ่นชอบไปสัมผัสกับผดท่พะชนิดต่างๆเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็มองไม่เห็น ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างในใจคิดว่ามันไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสก็เลยเปลี่ยนรูปรูปนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนรูปใหม่เสียงนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนเสียงใหม่ดูหนังเรื่องนี้เบื่อแล้วก็เปลี่ยนหนังเรื่องใหม่เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆดูมันกี่เรื่องก็ต้องเปลี่ยนมันทุกเรื่องดูได้หนึเดียวก็เลิกดูแล้วไม่อยากดูแ ล, ล้วเบื่อแล้วดูเรื่องใหม่มันก็เหมือนกันแล้วก็ยังอยากดูอยู่งั้น ก็ต้องเข้าไปในใจพอเข้าไปในใจแล้วเวลาเกิดความอยากมันจะเห็นใจกับเพิ่มขึ้นมาเห็นใจทุกข์ขึ้นมาทันทีพอเห็นปั๊บมันก็ใช้สติปัญญาหยุดมันได้ทันทีอันนี้แหละคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องการดับความทุกข์ที่ถูกต้องต้องเข้าไปดับภายในใจต้องต้องเข้าไป ให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาแล้วพอจิตออกจากอัปปนามาพอเกิดอาการทุกข์ใจขึ้นมาก็จะเห็นขึ้นมาทันทีเห็นว่าเกิดจากความอยากทันทีก็จะหยุดได้ทันทีถ้าหยุดไม่ได้ก็สอนใช้ปัญญาก็มาสอนนำทับอีกทีว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราไปอยากได้มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ อยู่คนเดียวสบายกว่าดีกว่าอยู่สองคนอยู่แล้วเดี๋ยวต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็ต้องห่วงกัน <yem. S 1> ห่วงกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องพัดภาจากกันในที่สุดมันก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่ดีในที่สุดมันก็ต้องต้องทุกข์กับการอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะมีคู่เวลาอยู่คนเดียวเราจะไม่ทุกข์ เพราะใจเราสงบใจเราไม่มีความอยากเวลาอยากมีคู่จึงต้องฝืนต้องบังคับอยากไปอยากอยากเราจะเป็นทุกข์มากกว่าอยู่คนเดียวแล้วถ้ามีความสงบแล้วอยู่คนเดียวจะไม่เหงาจะไม่เดือดร้อนเนี่ยต้องมีสมาธิก่อนถึงอยู่คนเดียวได้ถึงตัดความอยากที่จะไปมีคู่ได้ ถ้าไม่มีไม่มีสมาธินี้ถ้าอยู่คนเดียวก็เพราะว่าหาคู่ไม่ได้ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เพราะอยากจะอยู่คนเดียว <laughs> แต่ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่กับเรา <laughs> <laughs> อต่มันก็เป็นมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่หาคู่ไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องเหนื่อย <Okay. S 2> คนที่คนที่มีคนชอบมากๆเนี่ยเป็นคนมีกรรมเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้มีคนมาตอมอยู่เรื่อยคนที่ไม่มีคู่ไม่มีคนมาตอมนีม่สบายตั้มใจได้ง่ายกว่า okay. เพราะฉะนั้นก็ให้เรามีศรัทธามีความเชื่อในการตัดสุนของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้ที่รู้เหตุของความทุกข์และรู้วิธีดับทุกข์รู้ได้ด้วยพระองค์เองแล้วพอทรงรู้แล้วก็นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราที่มีปัญญามีมีสมาธิพอได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจ เช่นตอนที่สอนพระอัญญาณกนทัญญาสอนพระปัญจวาคัคคีการแสดงธรรมขั้งแรกมีพระมีคนฟังอยู่ห้าคนหนึ่งในห้าคนนั้นคือพระัญญาณโกนทัญญที่มีสมาธิแล้วมีฌานแล้วและมีปัญญาในระดับที่จะตามความคิดของพระพุทธเจ้าได้พอพระพุทธเจ้าแสดงทุกสมุทัยนิโรธมากขึ้นมาพระัญญาณกนทยะก็เข้าใจทันที ว่าความอยากความทุกข์เกิดจากความอยากความอยากเกิดจากการที่ไม่เห็นอ น, นิจจังความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆะท่านถึงประกาศออกมาภายในใจว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นถึงนั้นต้องมีการดับไปได้อะไรมาก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปไม่ช้าก็เร็วต้องพัดพากจากกันเวลาพัดพากจากกันมันก็ทุกเวลาอยู่ด้วยกันก็ทุกเพราะห่วง เพราะกลัวจะจากกันเพรนการไม่มีดีกว่า<น>ก็จะไม่ทุกข์นี่คือเนี่คือพระอริยสงสาวอกองแรกของพระพุทธเจ้า<น>แล้วท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าจนในที่สุดก็สามารถดับความอยากต่างๆภายในใจได้หมดก็บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมา มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับของพระพุทธเจ้าทุกประการไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากต่างๆไม่มีความทุกข์ต่างๆมีแต่ปรมังมสุ ข, ขังไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็นำเอาความรู้นนี้มาเผยแผ่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาต่อไปภายในเวลาระยะเจ็ดเดือนแรกนี้ สามารถผลิตพออาระอรันขึ้นมาได้ถึง 1,250 รูปเป็นอย่างร้อยเพราะในวันนั้นคือวันเพ็ญเดือนสามเจ็ดเดือนหลังจากที่ประกาศพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดวันเพ็ญเดือนแปก็คือวันนราสาหาบูชาแล้วพอถึงวันเพ็ญเดือนสามก็เป็นวันมาคาบูชาก็ราปรากฏมีพระ อ, อารานัน 1,250 รูป ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นั้นหมายกันมาจากสารทิตต่างๆเพราะตอนที่บรรลุพระพุทธเจ้าทรงมีคำสั่งให้แยกไปเผยแผ่คำสอนไม่ให้ไปสองคนบ้านหลานนี้ไม่ไปสองคนให้กระจายกันไปเพื่อที่จะได้เผยแผ่คำสอนให้ไปกว้างกว้างไกลนั่นเอง แต่วันนั้นท่านเกิดในความปรารถนาที่อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาโดยที่ไม่ได้รัดหมายกันมาก่อนอจึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มาสัจจรนทร์สำหรับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มีพระอาลานตสาวกถึงหนึ่งพันสองรอย้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนก็ดี พระอรหันตสาวกก็ดีท่านเป็นเหมือนกันคือท่านเป็นผู้ที่จะสอนเราพาเราให้เราได้บรรลุให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานี้จะมีเป้าหมายอยู่ที่การดับทุกข์อยู่ที่การละความอยากไม่ได้อยู่ที่การ ด้วยสาเหตุอย่างอื่นบางคนบางท่านคิดว่ามานั่งสมาธิทำใจให้มีความสุขจะได้อยู่กับแฟนไปนานๆอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดบางคนคิดว่านั่งสมาธิมีความสุขจะได้อยู่กับสมบัติของตนไปนานๆานไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติ การปฏิบัติของพระพุทธศาสนานี้เพื่อให้เราละความอยากต่างๆเพราะถ้าเรายังมีความอยากอ ย, กอ ย, กอยู่มันก็ยังจะเกิดความทุกข์อยู่เช่นเราอยากจะอยู่กับแฟนเราไปตลอดมันก็เดี๋ยวถึงเวลาจากกันก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ดีอยากจะอยู่กับทรัพย์สมบัติของเราไปตลอดเดี๋ยว <ober> ถึงเวลาที่มันจะต้องพัดพากจากกันมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ดีดังนั้นการปฏิบัตินี้เพื่อไปสู่การ รังรับดับความอยากต่างๆที่มีอยู่สามสามชนิดใหญ่ๆด้วยกันคือกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าอย่างที่พวกเราทุกคนมีกันอยู่อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปที่นั่นอยากจะไปที่นี่อยากมีแฟนอยากมีคู่อันนี้ก็เรียกว่า เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระความอยากชนิดที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีหน้ามีตานี่ก็เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นความอยากที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นความอยากไม่จนความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่ให้คนอื่นเขา ดูถูกเหยียดยา ม, มความอยากไม่ทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในชีวิตของเรานี้มันจะต้องมีทั้งขึ้นมีทั้งลงเราอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราจะต้องสัมผัสกับโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดคืออะไรก็คือการเจริญหน้าเสื่อมของลาภยศสารเสริรนี่กับสุข มีการเจริญราบก็ต้องมีการเสื่อมราบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ก็คือสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสพระนี่องได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลามีก็สุขเวลาได้ไปเที่ยวนี้ก็สุขพอต้องอยู่บ้านไม่ได้มีอะไรทําก็ เศร้าสร้สอยหเหงาเหงานี่ก็เป็นเพราะว่าเราไปติดเขาไปติดกับลาภยศเสริญไปติดกับความสุขทางตาหูจมูกริานกายจนลืมไปว่ามันมีวันเสื่อมมันมีวันหมดได้มีเงินก็หมดได้ได้เงินเงินเดือนออกไม่ทันกี่วันก็หมดแล้วต้องไปหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ มีตำแหน่งก็หมดได้เดี๋ยวก็ถูกเขาโยกย้ายเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ทำงานเป็นผู้จัดการอย่างนี้เขาย้ายกันอยู่เรื่อยผู้จัดการธนาคารเขาไม่ให้อยู่ที่เดียวย้ายไปย้ายมาแล้วพออายุแก่ลงใช้งานไม่ได้เขาก็ปลดล้วออกไปเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เสื่อมมีเจริญยศกาเสื่อมยศมีสัรเสริญก็มีนินทา อยู่ในโลกนี้มีใครไม่นินทาเรามั้งไหมโดนอยู่เรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าออแต่เราชอบให้เขาสรรเสริญอย่างเดียวแต่เราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าสั่งให้เขาสรรเสริญเราอย่าแต่ว่าเราได้ไหมไม่ได้พอาะเขาว่าเราเราก็ทุกข์ความสุขก็เหมือนกันเวลาอยู่กัแฟนก็สุขเวลาทะเลาะกับแฟนก็ทุกข์ เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ทุกเนีนี่แหละคือโลกธรรมแปดที่เราอยู่แล้วเราสัมผัสแล้วเราที่เราทุกข์ก็ทุกข์กับไอ้สามตัวนี้ล่ะหรือสี่ตัวนี้อยู่ที่ความเจริญกับความเสื่อมถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่เดือดร้อนเออเช่นอยู่แบบนักบวชไม่ต้องมีเงนินอาศัยข้าวเขากิน ขอเขากินในวันๆตามมีตามเกิดปัจจัยสี่ก็อยู่ไปตามมีตามเกิดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องไปหามันหาความสุขทางใจภาวนาเดินจงกลมนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จะรูปเสียงกลิ่นรสผพจะพอแล้วเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา พอเราสามารถผลิตความสูงนี้ได้เรื่อยๆถ้าเรารู้จักวิธีผลิตมันแนละ้วก็ผลิตมันได้เรื่อยๆเข้าสมาธิได้เรื่อยๆทำใจให้สงบได้เรื่อยๆไม่ต้องอาศัยใครแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องอาศัยมันร่างกายเจ็บก็ยังสงบได้ไม่มีร่างกายใจก็ยังสงบได้เพราะใจกับร่างกายมันเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันเป็นเหมือนคนสองคน ใจเป็นอายกายเป็นบ่าใจใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะความโง่ความหลงพอได้พบกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกหยุดใช้ร่างกายอย่าไปใช้มันหาความสุขเพราะมันเดี๋ยวมันจะมันจะต้องแก ต, ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันจะรับใช้เราไม่ได้เวลาที่มันรับใช้เราไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราก็กทุกข์ตรงนั้นเลสิแต่ถ้าเราไม่ใช้มันเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรา ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิแทนเราก็จะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการใช้ร่างกายพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็เฉยไม่เดือดร้อนเหมือนเราไม่ต้องอาศัยเขาแล้วเราทำเองได้เหมือนกับเราไม่ต้องใช้คนใช้เราทำทุกอย่างได้เพราะเรามีเครื่องมือสมัยนี้เขาผลิตเครื่องมือแทนคนใช้กันแล้ว มีหุ่นยองหุ่นยนต์สบายกว่ามันไม่มีอารมณ์เหมือนคนคนใช้นี่บางทีอารมไม่ดีมันก็ไม่ทำให้เราหรือมันแกล้งทำให้เรากับข้าวที่มันทำนี่มันถุยน้าลายใส่เราเกินรับปากนี้เวลาเื่อเป็นชูรถ <c oughs> พอเดียวมันก็มาประสมกับน้ำลายของเราอยู่ดี น้ำลายของเขาและน้ำลายของเราก็เหมือนกันหลังจาะนั้นอย่าไปอาศัยร่างกายพยายามมาอาศัยเราดีกว่าเป็นที่พึ่งของเราเองนี่แหละอัตาฮีอัตาโนนะเถอะตนเป็นที่พึ่งของตนตนสามารถผลิตความสุขให้กับตนเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาผลิตให้กับเราเนียต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญา นเ่การภาวนานี้ก็เพื่อสร้างสามตัวนี้ขึ้นมาสร้างสติเกิดใจจดจอ่ออยู่กับเรื่องเดียวไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบสงบแล้วก็สงบสบายไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอออกจากสมาธิมามันอยากก็ใช้ปัญญาบอกว่า อยากไปก็เท่านั้นอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆได้มาก็ต้องทุกอยู่ดีได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปทั้งหมดไปพอมันเข้าใจมันก็หยุดความอยากได้เนี่ยพอมีสติสมาธิปัญญาปัญหาต่างๆก็จะหมดอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องทําอะไรกินข้าววันละมื้อก็พอแล้วนอกนั้นก็กินดื่มน้ําเปล่าๆดูแลรักษาร่างกายไปเท่านั้นเองแต่ใจไม่ตําคารอะไร เพราะไม่มีความอยากนี่แหละคือใจของผู้หลุดท้นเป็นอย่างนี้ใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพยายามเจริญสติให้มากเพื่อที่ใจจะได้รวมเป็นสมาธิพอรวมเป็นสมาธิก็จะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาหยุดมันได้นี่แหละคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงค์ ที่จะทาให้เราแก้ปัญหาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สรงแก้มาเราเกิดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องทุกกับความอยากอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะทําได้นอกจากทำของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นจึงถือว่าเป็นความเป็นโลกเป็นเป็นโชคคราบของพวกเรา เป็นบุญของพวกเราที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถแก้กปัญหาของเราได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้และการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราได้พบครึ่งทางแล้วได้มาถึงครึ่งทางแล้วได้พบคำสอนแล้วโดวยเครื่งทางก็คือปฏิบัติตามพยายามหยุดการหาความสุขทางร่างกาย เราก็มาเก็บตัวมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบแล้วก็มารักษาความสงบด้วยการเจริญปัญญาเวลาเกิดความอยากขึ้นมามเราต้องทําเราต้องตัดทุกอย่างไปถึงจะมาทําได้ถ้าเรายังเสียดาความสุขทางร่างกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาทําหรือทําก็ทําได้น้อยมันก็จะไม่พอมันต้องทําแบบนักบวชเท่านั้น ถึงจะเสร็จงานถึงจะเสร็จภายในชาตินี้ถ้าทำแบบคารวาสในเอกเจ็ดชาติเขไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า <c oughs> อย่างนั้นขอให้พวกเรามีความแน่ ว, แ น, วแน่มั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราเชื่ออย่างตายใจได้ว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องไม่เป็นคําสอนที่จะหลอกลวงให้เราไปตกนรกเอเวจีอย่างแน่นอน จะเป็นคาสอนที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยาทาวารวาหาปุราปาลิปุเรนติสักกลังเอวเมวะอิโตตินนางเปตานางอุ ป, ปกัรปติ อิิตังปัิต um ังตุมหางคิป้าเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาวะโสยธามนิโชติอโสยธาสพพิต so ิยวิวัจจัน so ตุสัพพารโควินัสตุมาเตปวัตวันตระโยสุขีทีคายโกภะ อาพวาตนาสีลิตรนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวทาติอายุวโนสุขงงังภาลังเชิญถามได้าการพระอาจารย์นะคะคือในกรณีนั่งใกล้ๆห น, น่อยอ่านั่งสมาธิอะนอะ น, น, นะคะจะต้องนั่งตรงหน้าพระพุทธ ร, รูปหรือนั่งตรงที่ไหนๆก็ได้ พระุทธเะจ้าตัดจะรหนาพระอุทธรูปรว่านั่นสิล้วถามทำไมขอบคุณค่ะ ต, ต, ต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกจากคุณอุเทนพงหากเรายังไม่สามารถเข้าสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ่อยากพิจารณากายจิตหรือทมวิปัสสนานั้นทำได้หรือไม่ถ้าทำได้ทำอย่างไรถึงเหมาะสมครับทำได้มันก็ไม่ได้ผลมันทำแล้วก็ไปตัดตัณหาตัดกิเลสไม่ได้เพราะไม่มีกำลังเหมือนเด็กยังเรียนไม่จบม .8 จะเข้ามหาอะไรเข้าได้เข้าแล้วก็เรียนไม่จบ เรียนไม่ทันเขาสู้เขาไม่ได้เพราะเรายัางไม่พร้อมกําลังเรายัางไม่มีอยู่มอสี่อยากจะเรียนมาหาหลัยก็เลยไปเรียนมาหาหลัยเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องเรียนก็เรียนไม่จบเสียเวลาไปเปล่ า, าการปฏิบัติจึงต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ปฏิบัติตามความอยากแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษเดกอัจฉริยะ บางทีอายุสิบเอ็ดสิบสองก็เข้ามาหาลัยด้านก็มีอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษบางคนมีปัญญาเฉียบแหลมคมมีสมาธิมาตั้งเดิมมาแต่ชาติก่อนพอพิจารณาปัญญาก็บรรลุได้อันนี้ก็ไม่มีใครห้ามขอให้ดูที่ผลก็แล้วกันถ้าเราอยากเจริญปัญญาปัญญานี้มีไว้เพื่อฆ่ากิเลสตัณหา ถ้าเราพิจารณาปัญญาแล้วแล้วเราฆ่ากิเลสตัณหาได้หรือเปล่าถ้าฆ่าไม่ได้ก็ป่วยการไปเปล่ า, าแล้วคําถามนี้มันก็บอกว่ามันไม่มีปัญญาอยู่แล้วมาถามวิธีเจริญปัญญาคนที่เขามีปัญญาเขาไม่ต้องมาถามวิธีแต่คนที่เขาจะเจริญปัญญาเขาไม่ต้องมาถามวิธีเจริญปัญญาคนที่ถามก็แสดงว่ามันยังโง่อยู่โง่แล้วมันจะไปเจริญปัญญาได้อย่างไรใช่ไหม เอ่านั้นปัญญาเป็นเรื่องความรู้รอบตัวอ่ไม่ใช่มาคอยถามคนนู้นคนนี้ว่าทํำยังไงวะอ่า <c oughs> คนที่จะเข้าสู่ปัญญาที่เขารู้แล้วเขาพร้อมแล้วเขารู้ว่าต้องพิจารณาอย่างไรแล้วเขาต้องเจริญปัญญาอย่างไรเขาก็ทำของเขาไปเลยคนที่โง่มันไม่ไม่รู้จักทําต้องไปถามคนอื่นเขาก่อนแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะเจริญปัญญา คำถามครับคำถามต่อไปจากคุณมหาช้างช้างสี่แก้วตอนนี้มีเรื่องอารมณ์ทางกามตัญหามาลบกวนขณะภาวนาพิจารณาอาุภ่าแต่ก็สู้ไม่ไหวเป็นเพราะสติเรายังมีไม่พอใช่ไหมครับแล้วจะมีอุบายอะไรมาต่อสู้กับตัวอารมณ์กามตัญหาครับ ก็ต้องเจริญสุภาตตั้งแต่ตื่นจนหลับเอารูปเอารูปอกสุภาปะปะไว้ที่ตามบ้านตามประตูตามหน้าต่างมองไปทางไหนก็เห็นแต่สุภาษะเราพยายามน้อม้ามาอยู่ในใจให้มันตั้งอยู่ในใจให้ได้หลับตาก็เห็นดืมตาก็เห็นเหมือนกับเวลาที่เราหัดท่องสูตรคูณเราก็ต้องเดินท่องไปเรื่อยนั่งท่องไปเดินท่องไปนอนท่องไป สองสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสี่เป็นแปดท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะฝังอยู่ในใจเราเราก็ต้องระลึกถึงภาพอสุภะอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเราถ้าเราทาได้ก็แสดงว่าเรามีสติแล้วมีสติที่จะระลึกถึง อ, อสุภะได้พอเกิดการมารมขึ้นมามันก็ปุ๊บขึ้นมาเลยพอปุ๊บขึ้นมาปับ๊บมันก็ดับปั๊บไปเลย นี่นะคือสิ่งที่เราต้องเพียรกันเพียรเจริญสติในในกรณีนี้ก็คืออสุภะอสุภะก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบเอาจากนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาตัวนี้คือการอารมณ์นี้เราต้องเจริญอสุภะกรรมฐานอยู่เรื่อยๆ คำถามต่อไปจากคุณชาเอมแก่นนรงข้อที่หนึ่งในขณะนั่งสมาธิอยู่รู้สึกเหมือนเห็นมีเราอีกคนหนึ่งอยู่ในตัวแล้วตามดูแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะไม่ควรตามดูอะไรทั้งนั้นควรให้ดูที่กรรมฐานที่เราใช้อยู่เป็นเครื่องผูกใจให้ดูถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไป ส่วนอะไรจะปรากฏมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจเพราะมันจะทำให้เราเสียสมาธิจะทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะเห็นว่ามีแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองเราจะรู้ว่าตัวนี้คือใจตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายแล้วเราก็จะรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเราอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้น เวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการนั่งสมาธิคือเป็นการแยกกายออกจากใจนี่คือวิธีที่แยกต้องแยกด้วยสมาธิแยกด้วยสติให้จิตรวมพอจิตรวมจิตก็จะถอน ว, วิญญาณที่ไปเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะย้อนกลับเข้าไปในใจ มันก็จะไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพตังต่างบางทีละถ้ามันเข้าไปลึกๆร่างกายก็หายไปเลยหรือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวนี่แหละคือใจพอเรารู้แล้วทีนี้เราก็จะได้ใช้ความรู้นี้มาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายทำมาจากดินน้ำลมไฟสิ่งที่แก่เจ็บตายก็คือดินน้ำลมไฟหรืออาการ32 เช่นผมผมมันแก่แก่อย่างไงจากสีดามันก็กลายเป็นสีขาวหนังมันแก่ไยงไหนังมันจากที่มันเคยตึงมันก็เหี่ยวก็พิจารณาดูทั้งทั่วสพางร่างกายนี้มันไม่มีตัวเราเลยมันมีแต่อาการสามสิบสองอาการสามสิบสองนี้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราอยู่ที่ผู้รู้ผู้ที่กำลังพิจารณานี้ก็คือผู้รู้นี้เองก็คือใจ พอเรารู้อย่างนี้เราก็มีความมั่นใจมีความไม่หวาดหวัน่นไม่หวั่นไหวกับการแก่การเจ็บการตายของร่างกายอันนี้ก็เป็นวิธีแยากกายออกจากใจขั้นถาวรขั้นขั้นสมาธิมันการยากกันชั่วข้าวเวลาจิตสงบมันก็เหมือนกันนอนกันคนละห้องสามีอยู่ห้องภรรยาอยู่ห้องแต่พอออกจากห้องมาเจอกันข้างนอกห้องก็มารวมกันอีกทีเวลามารวมกันก็ต้องใช้ปัญญาแยก พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นเพียงดินน้ำนมไฟมันเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเราของเราเลยแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอมันตายมันก็แยกกันกายไปกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียวกว่าเป็นการแยกกายออกจากใจแยกกายแยกใจแยกกา ย, แย ก, กายแยกจิตก็แยกกันแบบนี้ ถ้าแยกด้วยวิธีที่สาวรก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาพอแยกได้อย่างถาวรแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนะก็จะบรรลุธรรมขั้นหนึ่งขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เพราะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเห็นโทษของความอยากว่าอยากเราจะทุกข์ต้องเห็นทั้งทั้งหมดอย่างนี้เห็นครบบริบูรณ์ทั้งสี่ส่วนคือพระอริยสัจสี่ต้องเห็นว่าใจเราทุกข์เพราะไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มักจะบอกเราว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราไปกลัวทําไมพอไม่กลัวก็ก็ปล่อยมันไม่มีความอยาก พอไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความทุกข์ตามมาม น, นี่มันจะเป็นการแก้อย่างถาวรต้องเห็นครบทั้งสี่ส่วนเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากถึงจะบรรลุทำได้คำถามค ำ, คำต่อไปข้อที่สองขณะที่นั่งสมาธิเกิดความรู้สึกวืบเหมือนเข้าพวังไปแล้วเห็นภาพโครงกระดูก ข, ขึ้นมา เลยพิจารณาว่าภาพที่เห็นว่าใช่ของจริงหรือไม่แล้วกระดูกนั้นก็หลุดออกจากการภาพที่เห็นก็หายไปก็กลับมารู้ตัวรู้ลมรู้พุโทโธอีกครั้งการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมคะจะว่าถูกก็ถูกจะว่าไม่ถูกก็ไม่ถูกคือ เป้าหมายของการนั่งสมาธิก็คือเพื่อให้ใจสงบให้ว่างไม่ให้มีอะไรต่างๆให้รับรู้แต่ขณะที่รับรู้ก็ไม่ควรที่จะไปสนใจควรที่จ ะ, จะเจริญสติของเราต่อไปถึงจะปฏิบัติถูกเช่นมีอะไรปรากฏให้รับรู้ถ้าเราพุโทโธอยู่ลรวก็พุโทโธต่อไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพิจารณาอย่าเพิ่งไปจเจริญปัญญา เพราะว่าเรายังไม่มีกําลังที่จะตัดตัณหาความอยากเราต้องการสร้างกําลังของอุเบกขาขึ้นมาจากการที่เข้าไปอยู่ในความสงบก่อนเพราะหลังจากที่เรามีกําลังของอุเบกขาแล้วทีนี้เราค่อยออกมาพิจารณาทีหลังก็ได้อพิจารณาว่ามันเป็นอย่างไรมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือมันเป็นอสุภะก็ว่าไปเพื่อจะแก้ปัญหาที่เรายัง ติดอยู่ถ้าติดเรื่องการอา ร, รมณ์ก็ต้องแก้ด้วยอ ส, สุภะถ้าติดด้วยความกลัวตายกลัวเจ็บก็ต้องพิจารณาความตายพิจารณาความเจ็บการจะพิจารณาความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บปล่อยให้มันเจ็บแล้วให้มันดับไปเองเมื่อมันไม่ดับก็อยู่กับมันได้เพราะมันไม่รุนแรงไอ้ตัวที่รุนแรงไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไป เราต้องดับตัวนี้ตัางหากดับตัวนี้ก็คืออย่าไปอยากให้มันหายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปพอรับไว้มันเจ็บใจเราจะไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์ใจเป็นอุเบกขาก็จะไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บของร่างกายก็จะผ่านทุกขเวทนาไปได้เวลาเจอความตายก็ต้องปล่อยให้ร่างกายมันตายไปอย่าไปกลัวอย่าไปหนีความตาย อยู่เฉยๆมันจะไปก็ให้มันไปใจทําใจใจทําใจเฉยเท่านั้นเองเรียกว่าทําใจดีสู้เสือก็แล้วกันเสือมันจะกัดก็มันกัดไปแต่มันไม่กัดเราหรอกมันกัดร่างกายร่างกายไม่ใช่เร า, เาปล่อยมันกัดไปแล้วก็ดูมันเท่านั้นเองตัวไหนเออไม่เนาะไม่ยังใช้ได้นี่ฮะทางนู้ยังได้ยินเสียงอยู่ แสดงว่าเค่องนี้หมดกำลังแล้วมันมีอยู่นะสีเขียวมันไม่เหลือมันยายติดไปติดนาแล้วมันเป็นอะไรเนื้อมันมันนิจจังมันกระแดงตัวใหม่นะคะแล้วอ่าโอเคใช้ได้ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณ M P C K หากคนที่ยังไม่คิดละจากวัตฏสงสารแต่มุ่งสะสมทานบารมี และใช้ฟังธรรมมาฝึกตามเท่าที่ทำได้เพื่อให้มีพลวะปัจจัยหรืออุปนิสัยทางธรรมเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงพบชาติที่เหมาะสมจะได้ไหมคะควรสอนใจให้พิจารณาอย่างไรคะเวลาเราไม่สบายเราอยากจะรักษาให้มันหายหรือไม่อยากจะรักษาให้มันหายอยากจะเลี่ยงไข้ไว้ต่อไปเลย มีหมอเขาจะรักษาให้หายได้ภายในสามวันเจ็ดวันเราบอกว่าขอเก็บเลี้ยงไข้ไว้สักสามวันสามเดือนเจ็ดเดือนได้ไหมก็ได้ถ้าคุณอยากจะอยู่กับไข้ไปอีกสามเดือนเจ็ดเดือนก็ไม่มีใครว่าอะไรอันนี้ก็เหมือนกันคุณมีหมอมีธรรมะมียาคำสอนธรรมโอสถที่จะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ของคุณให้หมดไปได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี แต่คุณขอผ่อนไปสักเจ็ดภพเจ็ดชาติมันก็เรื่องของคุณได้ทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่ได้มีใครจะมาบังคับตัวคุณเองได้ตัวคุณเองจะต้องเป็นตัวที่ต้องบังคับตัวของคุณเองปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เห็นความทุกข์ท่านั้นเองเดี๋ยวเวลาไปเจอความทุกข์แล้วมันจะแก้ไม่ได้นะตอนนี้มันไม่มีความทุกข์แต่พอเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่มันอาจจะส่งกับค่าตัวตายอ่ะ คำถามต่อไปจากคุณปัดบุญสุวรรณโยมสมาทานศีลห้าทุกวันวันพระสมาทานศีลแปดศีลข้อสามประพฤติพรมจันทร์เป็นปีแล้วค่ะแต่เรื่องการใช้เครื่องหอมสบู่ผิวแห้งจึงใช้โลชั่นซึ่งมีกลิ่นผิดศีลไหมคะวัตถุประสงค์การใช้ไม่ได้เพื่อเกิดกามาตันหาค่ะ คือข้อศีลข้อแปดข้อเจ็ดเขาก็ห้ามไว้แล้วไม่ให้ใช้เครื่องหอมอะไรต่างๆถ้าใช้เพื่อเป็นการเสริมสวยเสริมความงามหรือใช้เพื่อเสริมความสุขทางใจแต่ถ้าใช้เพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาดูว่าเราใช้เพื่ออะไร คำถามต่อไปจากคุณบุตรบรรดาศักดิ์ข้อที่หนึ่งพอกําหนดนั่งสมาธิทุกครั้งก็จะเข้าสมาธิมีความว่างเป็นอารมณ์คือว่างมีแต่ตัวรู้พอออกจากสมาธิลืมตาก็เห็นอดีตภพชาติธาตุขันธ์ที่ตนเองเคยเป็นเคยอาศัยลุกอย่างไรมาเกิด ด้วยกรรมใดเห็นเหมือนการดูภาพยนตร์แต่เป็นการเห็นด้วยตาในชัดเจนมากตากฏการแบบนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าจิตมันทะเลทลายสิเราจากสมาธิเรามาแล้วควรที่จะให้มันเห็นตายรักอย่าไปให้มันเห็นอย่างอืน่นการไปเห็นอย่างอื่นมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นไปเพื่อการดับความทุกข์ เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการดับความทุกข์เราต้องการเห็นอสุภะเห็นไตรลักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการไปเห็นชาติก่อนเป็นอย่างไรมีอะไรนี้มันไม่เปิดประโยชน์กับการปฏิบัติทางวิปัสสนาไม่เกิดประโยชน์ในการดับปัญหาความอยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตเราทะเ ล, ลาไหลไปรู้เรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์กับการปฏิบัติก็ควรที่จะ ขกห้ามจิตใจอย่าไปอย่าปล่อยให้มันไปในทางนั้นมันจะเสียเวลาไปเปล่าๆคนที่จะดึงมันมาให้มาดูอสุภะดูความแก่ความเจ็บความตายดีกว่าเพื่อเราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ทุกข์กับมันการไประ ล, ลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตมันไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาในปัจจุบันของเราได้ข้อที่สอง เวลานอนจะกำหนดดูลมและหลับไปด้วยลมหายใจออกเป็นลมสุดท้ายก่อนหลับพอกลางดึกตื่นขึ้นมาเห็นพี่สาวที่นอนอยู่ด้วยกันเป็นศพเน่าขึ้นอืดแตกออกตกใจนอนหันหลังทันทีแต่พอวันอื่นเกิดแบบเดียวกันโยมนอนดูที่เขาขึ้นอืดเน่าแล้วร่างกายแตกสลายจนจบ ปรากฏการณ์นี้คืออะไรคะก็คือการเห็นอสุภะเห็นความตายคนที่จะน้อมกลับก็ามาให้มันเป็นที่ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นเป็นอย่างไรร่างกายของเราต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพิจารณาแยกแยะให้เห็นชัดว่าอร่างกายนี้มันจะต้องกลายเป็นซากศพแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม เวลาเราเห็นของคนอื่นท่านก็สอนให้เราน้อมกลับมาเทียบเคียงกับร่างกายของเราและมองให้เห็นว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ปร่งทั้งสำหรับร่างกายของเราและของคนอื่นเวลาคนอื่นคนที่เรารักตายไปเราก็จะได้ไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะเราเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อน ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นั้นไวแล้วพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเราก็จะไม่เสียหลักคนที่ไม่เคยพิจารณาความตายเลยไม่เห็นความตายเลยเวลาเห็นความตายขึ้นมานีจใจจะสัน่นใจจะไม่เป็นปกติจะเศร้าโศกเสียใจจะบางทีถึงกับไม่สามารถทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความตายนี้ถือว่าเป็นการเห็นธรรม เป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้สอนใจให้เตรียมตัวรับกับความตายที่จะต้องตามมาไม่ว่าจะเป็นความตายของใครก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราเตรียมรับไว้เตรียมเตรียมรู้ไว้ทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็จะไม่เดือดร้อนข้อที่สาม ขอสรุปคำถามนะคะจากท่านเดิมโยมนิมิตว่ามีหญิงคนหนึ่งมาเรียกโยมว่าคุณหลวงคิดถึงโยมมากโยมสงสารเธอบอกเธอว่าอย่ายึดติดเป็นอย่างนี้แล้วโยมจะอุทิศบุญอย่างไรเพื่อช่วยดวงจิตของเธอผู้นั้นให้หลุดพ้นจากโยมได้คะก็สอนธรรมะเข้าไปอย่างที่สอนนั่นแหละ สอนให้เขาอย่ายืดอย่าติดนะสอนให้เขาพิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงข้อที่สี่ขอสรุปคำถามจากท่านเดิมนะคะโยมนิมิตว่ามีชายคนหนึ่งคอยติดตามโยมอยู่ตลอดเวลาโยมก็หนีสุดชีวิตบอกเขาว่าจะไม่มาเกิดอีกแล้วแต่เขาไม่ยอมเขาจะให้โยมไปเป็นภรรยาและมีลูกชาย ให้เขาหนึ่งคนโยมไม่ยอมจะปฏิบัติธรรมแผ่บุญให้เขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขารักโยมมากอย่างนี้โยมจะทำอย่างไรเพื่ออุทิศแผ่บุญให้ถึงเขาและหลุดพ้นกันได้คะเราก็ต้องหยุดที่ใจเราอย่าไปอยากให้เขาไม่มาตามเราเขาอยากจะติดตามเราอยากเป็นแฟนเราก็ปล่อยเขาติดตามไป เราไม่ต้องไปตอบสนองเขาก็แล้วกันเราก็เฉยๆไปเขามาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปไปไปตอบโต้ไม่ต้องไปอะไรของเขาทำใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาเรื่อว่าเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเขาเบื่อเราเขาก็ไปคำถามต่อไปจากคุณอาหมวยกิบ โยมขอโอกาสถามเรื่องอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปถามอาจารย์ก <c oughs> ูเกิาเลยคำถามต่อไปจากคุณชานีตัยยะชอบฟังธรรมะของครูบาอาจารย์หลายท่านฟังทุกวันวันละหลายชั่วโมง และพยายามลองนั่งสมาธิแต่เวลาทําสมาธิจิตไม่นิ่งเลยได้ผลเพียงแค่นั่งหลับตาครั้งละไม่ถึงสิบนาทีจิตไม่สงบเลยค่ะอยากแต่จะลืมตามาดูว่าถึงเวลาเลิกนั่งหรือยัง <c oughs> เป็นแบบนี้ตลอดค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะค่ะเพราะยังไม่ได้เจริญสตินั่นเอง ไม่มีสตินั่งไปจิตก็จะไม่นิ่งจิตก็จะคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ดังนั้นต้องเจริญสติก่อนเจริญสติก่อนที่จะมานั่งการเจริญสติก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ที่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับไปจะพักก็ตอนที่จิตไม่คิดหรือว่าตอนที่ต้องคิด ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในการทํางานทําการเราก็หยุดเจริญพุทโธไปก่อนแล้วก็คิดเรื่องงานเรื่องการไปพอคิดเรื่องงานเรื่องการเสร็จไม่ต้องคิดอะไรแล้ใจไปคิดถึงขนมคันอะไรต่างๆก็ใช้พุทโธหยุดมันบรยการพุทโธไปถ้าเรามีสติเวลามานนั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานจะสงบได้เร็ว พอสงบแล้วมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดจะไม่รู้สึกอาการ อ, าอยากจะลุกไปไหนมันก็จะนั่งได้นานนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการนั่งสมาธิก็คือการเจริญสติก่อนถ้าไม่มีสติแล้วนั่งไงก็นั่งไม่ได้ผลนั้นเรามักจะมองข้ามขั้นที่หนึ่งกันยังยังยังยืนไม่ได้ก็จะเดินแล้วต้องหัดยืนให้ได้ก่อน เดนแน่นแล้ค่อยหัดเดินเพระฉั้น <Yeah. S 2> ถ้าเราจะต้องการจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบต้องการจะเรีนวิปัสสนาต้องทําเป็นขั้นเป็นตอน mm hmm. ขั้นแรกก็คือต้องมีสติก่อน mm hmm. ต้องฝึกสติตลอดวันทั้งวันเลยสตินี้เราทําได้ตลอดเวลาทําไมท่องพุทโธคําเดียวท่องไม่ได้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดได้ทั้งวันเพวันคิดพุทโธคําเดียวคิดไม่ได้ yeah. คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามนะคะรักษาศีลห้าสามารถละกิเลสได้หรือไม่ครับศีล น, นี้เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนรั้วคือกั้นกิเลสเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ถ้าศีลขาดเมื่อไหร่มันก็จกิเลสมันก็จะทะลักออกมาทันทีเหมือนกับเราทำข้อกันวัวกันควายไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ถ้าเกิดรู้ว่ามันพังขึ้นมาเดี๋ยววัวควายมันก็ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ถ้าเราอยากจะให้วัวควายนี้มันไม่ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเราก็มีสองขั้นขั้นแรกก็ต้องจับมันผูกเชือกร้อยกับเสาถึงแม้ไม่มีถึงแม้คอกมันจะมีคอกมันจะแตกคอกจะเสียมันก็ยังไปไม่ได้ เชือกนี้ก็คือสติหรือสมาธิแต่มันก็ยังมีโอกาสที่เชือกจะขาดได้ถ้าอยากจะให้มันไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับมันต้องฆ่ามันต้องเอาบีดเอามาพันคอมันเลยตัดคอมันให้ขาดบีดนี่ก็คือปัญญาต้องมีปัญญาแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาฆ่ามันได้ต้องจับมันมาผูกไว้กับเชือกกับเสาก่อนให้มันอยู่นิ่ง ถ้ามันยังวิ่งได้นี่ไปเอามีดไปได้ฟันมันก็ก็กจะฆ่ามันลาบากเนี่ยคือสมาธิต้องมีก่อนถึงจะฆ่ากิเลสได้อย่างง่ายดายการการจะมีสมาธิก็ต้องมีเชือกการที่จะเอาเชือกมาผูกวัวได้ขวายได้ก็ต้องมีคล้อกล้อมไว้ก่อนถ้าไม่มีคลอกล้อมมันก็วิ่งไปในป่าวิ่งขึ้นเขาแล้วก็วิ่งตามมันไม่ไหวเราก็ต้องหลอกล่อให้มันเข้ามาในคอกก่อน พอมันอยู่ในครองแล้วเราก็หาวิธีเอาเชือกคล้องคอมันแล้วก็ผูกมันไว้มัดมันไว้ไม่ให้มันดิ้นได้พอมันดิ้นไม่ได้เราก็ค่อยเอามีดมาฟันมันได้นี่ก็เหมือนกันเราต้องมีศีลก่อนเพื่อที่เราจะได้เจริญสติได้เมื่อเราเจริญสติเราก็นั่งสมาธิทาใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วเราก็สามารถใช้ปัญญามาฆ่ามันได้ คำถามข้อสุดท้ายเราสามารถแลกเงินจากซองทำบุญได้หรือไม่คะเพราะบางคนเข้าใจว่าเป็นเงินที่คนทำบุญจบถวายมาแล้วเพื่อทำบุญถ้าเราไปแลกมาจะเป็นบาปคะ่ะถ้าเร า, เราแลกด้วยความโลภ ก, ก็ไม่ดีเหมือนกันเช่นเห็นแบงก์ใหม่เราก็อยากจะเปลี่น <c oughs> เอาแบงก์เก่าไปอางนี้ก็บาปเหมือนกันเพราะความโลภ แต่ถ้าได้พราความจําเป็นเช่นมีคนเขาใส่เงินมาแล้วขอขอร่วมด้วยแล้วมันไม่ต้องต้องมีเอาเงินทอนอะไรอย่างนี้เอก็ไปเอาเงินเสดเงินอีกซองหนึ่งมาใส่เปลี่ยนกันหรืออะไรอย่างนี้ถ้าทําด้วยเหตุผลก็ไม่บาปทําได้แต่ถ้าทําเพราะเห็นแบงค์เขาสวยเลขมันดี <laughs> อยากจะมีไว้เป็นครอบครองนี้ก็บาปลนะ ถ้าแบบว่าแตกจากแบงค์พันเป็นเราอยากจะได้แบงค์ร้อยแบงค์สิบอะไรเนี่ยถ้าอยากโดยไม่มีเหตุมีผลก็บาปแต่ถ้าว่าสมมติเร า, เ<อ>ามีแ <ไป S 2> บงค์พันเราอยากจะทำห้าร้อยอย่างเงี้ยเราต้องขอเงินต้องขอคืนห้าร้อยแล้วก็ไปไปแลกออกมาจากเงินคลองของคนอื่นก็ได้ก็อยู่ใ น, นเนี้ยเรามีเงินพันแล้วเราอยากจะทําแค่สองร้อยเราก็ไปหาเงินแปดร้อยในนี้ออกมา <c oughs> แล้วก็ทําแค่สองร้อยอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลก็ไม่เป็นปัญหา ก็ไม่ได้ทําด้วยความโลภออแต่ถ้าทําให้ว่าแบงนี่เลขสวยนี่แบงใหม่นี่ยังไม่มีรอยยับเลยอย่างนี้ก็เป็นความโลภแล้วก็ไม่ดีถึงแม้จะไม่บาปถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการลักทรัพย์ก็มันก็ยังเป็นเป็ น, ปนความโลภอยู่ที่เราไม่ควรที่จะส่งเสริมเพราะจะมันติดเป็นนิสัยไป แล้วก็เกิดเคยอยากได้แบงค์ย่อยเพื่อไปใช้อย่างอื่นแบบไปใช้เพราะามันเป็นแบงค์พานอยู่อะค่ะหลวงพ่อใครก็ไม่ได้ทําบุญเนี่ยเขาขอมาแรกใช่ไหมค่ะก็ต้องถามเจ้าของก่อนถามเจ้าของ ข, ขอแรกได้ไหมขออนุญาตก่กอนถ้า่ขาอนุญาตก็แรกได้ <c oughs> ทีนี้ใครเป็นเจ้าของไม่รู้ถ้ามาถวายแล้วเรานี่ใครเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเลิกคนถวายเป็นเจ้าของ ก็ต้องเป็นคนที่เจ้าของก็ต้องถือว่าเขาสละสิทธิ์แล้วนยก็ต้องเป็นของเราก็ต้องมาขออนุ ญ, ญาตจากเราก่อนถ้าอนุญา ต, าาญญาตก็โอเคมีคําถามเพิ่มเติมค่ะหลวงพ่อจากคุณยิ้วพาพอนะคะฝันเห็นพระอาจารย์ให้มาฟังธรรมม้าบนเขาพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์หยุดแล้วเมื่อไหร่โยมจะหยุดหมายความว่าอย่างไรคะ ก็หยุดความโลภความโกรธความหลงเยหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายให้มาหาความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันหมดแล้วนะมีใครมีปัญหาข้างคาใจัหม <laughs> เดี๋ยวปิดไม้แล้วอย่ามาถามนะ <laughs> ถามอย่างนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์นะ <laughs> ถ้าไม่มีก็จะให้ยุติการประชุมไว้เพียงแค่นี้ ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตริจน า, าไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ